ธรรมบทแปลเรื่องปลาชื่อกบปิละภาคที่8เรื่องที่สองสบพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันทรงปรารพปลาชื่อกบปิละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามนุษย์ชัสะปะมัตตะจาริโนตันหาวัฏทิต มาลุวาวิยะโสปะละวะตีหูราหุรังพระละมิจฉังวะวะนัสมิงวานโรยังเอสาสหตีชัมมีตัณหาโลเกวิสัติกาโสกาตัสะปะวัตตันติอภิวัตทางวะพีระนังโยเจตังสหตีชัมมิง ทันหังโลเกทุรัจจะยังโสกาตํหาปะปะตันติอุทะพินทุวะโปกราตังโววะทะมิพัทังโวยาวันเตทะสะมาคตาตันหายะมูลังขันธะอุสีรัตโทวะพีระนังมาโวณังวะโสโตวะ มาโรพันชิบุับปุนังแปลว่าตัณหาดุดเถ่าย่านทายย่อมเจริญแก่คนผู้มีปกติประพฤติประมาทเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่ดังวานอนปราถนาผลไม้เร่ร่อนไปในป่าฉะนั้นตนานี้เป็นธรรมชาติลามก มักแผ่ช้านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นดุดญ้าคมบางอันฝนตกรดแล้วงอกงามอยู่เชะนั้นแต่ผู้ใดย่อมย่อมยีตันหานั่นซึ่งเป็นธรรมชาติลามกยากที่ใครในโลกจะล่วงไปได้ความโศกทั้งหลาย ย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้นเพราะเหตุนั้นระบอกกับท่านทั้งหลายว่าความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่ประชุมกันแล้วใ น, นที่นี้ท่านทั้งหลายจงขุดรากตัณหาเสเถิดประหนึ่งผู้ต้องการแฝกขุดหญ้าคมบางเสฉะนั้น มารยาระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดุดกระแสน้ำระรานไม้อ้อฉะนั้นดังนี้เป็นต้นได้ยินว่าในอดีตการเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะประินิพานแล้วกุลบุตรสองคนพี่น้องออกบวชในสำนักแห่งพระสาวกทั้งหลายกุลบุตรสองคนนั้น คนพี่ชื่อว่าโสตนะคนน้องชื่อว่ากะปีลักส่วนมาดาของคนทั้งสองนั้นชื่อว่าสาทนีน้องสาวชื่อตาปนาหญิงทั้งสองนั้นก็บวชในสำนักภิกษุณีเมื่อบวชแล้วเช่นนั้นพี่น้องทั้งสองก็ทำวัดและกิจอื่นๆแก่อาจารย์และอุปชาตามปกติวันหนึ่งถามว่า ท่านกอรับธุระในพระศาสนานี้มีเท่าไรก็ได้ฟังว่าธุระมีสองอย่างคือคันธะธุระหนึ่งและวิปัสสนาธุระหนึ่งดังนี้วิสุผู้เป็นพี่คิดว่าเราจะบำเพ็ญวิปัสสนาธุระได้อยู่กับพระอาจารย์และพระอุปชา์ห้าปัญญาแล้วเรียนกรร ม, มฐาน จนถึงพระอารหัสตเข้าไปสูป่ปาไปยามอยู่ก็บรรลุอราัตผลตอนน้องชายมัวเมาในคันะตะทุระส่วนภิกษุน้องชายคิดว่าเรายังหนุ่มอยู่ในเวลาแก่จึงจะบำเพ็ญวิปัสสนาทุระจึงเริ่มเรียนฝ่ายคันะตะทุระจนจบพระไตรปิฎก พระอาศัยปริยัตพระกาปิละจึงมีบริวารเป็นอันมากพระอาศัยบริวารลาบก็ได้เกิดขึ้นพระกัปิละมัวเมาเพราะเรียนมามากดูความทยานอยากในลาบครอบงำเพราะเข้าใจว่าตนฉลาดมากถึงกับกล่าวสิ่งที่คนอื่นบอกว่าควรว่าไม่ควรกล่าวสิ่งที่ไม่ควรว่าควร กล่าวสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษกล่าวสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษแม้ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลายกล่าวว่าคุณกัปปิละคุณอย่าได้กล่าวอย่างนี้แล้วอ้างธรรมและวินยัยกล่าวตักเตือนอยู่พระกัปปิลานั้นก็กล่าวว่าพวกท่านจะรู้อะไรพวกท่านเช่นกับใบมือเปล่าเป็นต้นแล้ว ก็เที่ยวกูตบาทภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอตอนน้องชายไม่เชื่อพี่กรังนั้นภิกษุทั้งหลายแจ้งเรื่องให้พระโสธนะเถระผู้เป็นพี่ชายทราบฝ่ายพระโสตนะเถระได้เข้าไปหาเธอแล้วตักเตือนว่าคุณกั บ, บิละก็การปฏิบัติชอบของภิกษุผู้เช่นกับด้วยเธอ เป็นการสืบอายุของพระศาสนาเพราะฉะนั้นเธออย่าได้ละการปฏิบัติชอบแล้วกล่าวคัดคา้านสิ่งที่ควรว่าไม่ควรเป็นต้นอย่างนั้นเลยภิกษุกับิละมีได้เอื้อเฟื้อคำแม้ของท่านแม้เมื่อเป็นเช่นนี้พระเทระก็ดักเตือนเธอสองถึงสมครั้งทราบเธอผู้ไม่รับคำตักเตือนว่า วิสุทนี้ไม่ทําตามคำของเราแล้วจึงกล่าวกับกบิลาว่ากบิละ่ะถ้าเช่นนั้นเธอจะปรากฏด้วยผลของกรรมของตนเองเนี่นี้แล้วก็หลีกไปตอนน้องชายเสียคนเพราะถูกทอดทิ้งตั้งแต่นั้นมาวิกสุรูปอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักก็ทอดทิ้งพระกบิละ พระกไปละจึงประพฤติชั่วมีพวกประพฤติชั่วห้อมล้อมอยู่วันหนึ่งคิดว่าเราจะสวดปาติโมกจึงถือพัดขึ้นนั่งบนธรร ม, มาทในโรงอุโบสถแล้วถามว่าทั้นผู้มีอายุปาติโมกย่อมเป็นไปเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ประชุมกันแล้วในที่นี้หรือภิกษุทั้งหลายนั้นก็นิ่งเสียด้วยความคิดว่า ประโยชน์อะไรที่จะให้คำตอบแก่ภิกษุผู้นี้ดังนี้แล้วกัปิละจึงกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำก็ดีวินัยก็ดีไม่มีปาติโมก พ, พวกท่านจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ดังนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไปพระกปิลักษ์ได้ทาศาสนาคือปริยัตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประนามว่ากัส ป, ปะให้เสื่อมลงด้วยวิธีการดังกล่ามานี้ส่วนพระโสนะเถระก็ปรินิพพานในวันนั้นนั่นเองเมื่อสิ้นอายุพระกัปิละได้ไปเกิดในอเวจีมหานรกมารดาและน้องสาวของเธอซึ่งทำตามพระกปิละดาบริพาดภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก ก็ไปเกิดในอเวจีมหานรกนั้นเหมือนกันตอนโจรเกิดในเทวโลกด้วยอำนาจของศีลก็ในเวลานั้นโจร500คนอยคนทจรกรรมมีการปล้นชาวบ้านเป็นต้นมีความเป็นอยู่แบบโจรถูกมูคนในชนบทตามจับโจรทั้งหลายเหล่านั้นหนีเข้าป่า ไม่เห็นสิ่งใดในที่นั้นพอเป็นที่พึ่งได้เห็นแต่ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดรูปหนึ่งไหว้ท่านแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของพวกข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระเถระจึงกล่าวว่าก็ชื่อว่าที่พึ่งของพวกเจ้าเช่นกับศีลนั้นไม่มีจงสมาทานศีลห้าทุกคนเถิดพวกโจร ก็รับคำดังนั้นแล้วสมาทานศีลห้าแล้วที่นั้นพระเทระตักเตือนโจรเหล่านั้นว่าบัดนี้พวกเจ้าเป็นผู้มีศีลไม่ควรล่วงละเมิดศีลไม่ควรประทุษร้ายทางใจแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเลยโจรเหล่านั้นก็รับคำแล้วก็ในครั้งนั้นชาวชนบทเหล่านั้นมาถึงที่นั้น ค้นหาข้างโน้นข้างนี้เมื่อพบพวกโจรก็ฆ่าเสียทั้งหมดพวกโจรเหล่านั้นตายไปแล้วเกิดในเทวโลกหัวหน้าโจรได้เป็นหัวหน้าเทพประบุตรตอนเทพประบุตรหรือปฏิสนธิในตระกูลชาประมงเทพระบุตรเหล่านั้นเวียนไหวาตายเกิดในเทวโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง เป็นคนเป็นเทพสลับกันในพุทธุปบาทการนี้เกิดในหมู่บ้านชาวประมงห้าร้อยตระกูลใกล้ประตูเมืองสาวัตถีหัวหน้าเทพปบุตรถือปฏิสนธิในเรือนของหัวหน้าชาวประมงพวกเทพประบุตรองค์อื่นถือปฏิสนธิในเรือนชาวประมงผู้เป็นบริวารทั้งหมด ถือปฏิสนธิและคลอจากท้องมารดาในวันเดียวกันนั่นแหละหัวหน้าชาวประมงให้คนเที่ยวสอดหาว่าพวกเด็กอื่นในหมู่บ้านนี้ที่เกิดในวันนี้มีอยู่หรือไม่ทราบว่ามีจึงสั่งให้นำทรัพย์ค่าเลี้ยงดูไปให้แก่ชาวประมงเหล่านั้นด้วยตั้งใจว่าพวกเด็กนั้น จะเป็นเพื่อนลูกของเราเด็กทุกคนเป็นเพื่อนเล่นคลุกฝุ่นด้วยกันจเจริญวัยขึ้นโดยลำดับแล้วบุตรของหัวหน้าชาวประมงได้เป็นผู้เยี่ยมโดยยศและเดชกว่าเด็กคนอื่นๆตอนกัปิละเกิดเป็นปลาใหญ่ส่วนพระกาปปิละถูกเผาไหม้ในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง ในเวลานั้นได้เกิดเป็นปลาใหญ่ในแม่น้ำอาจิราวดีมีสีเหมือนทองคําแต่มีปากเหม็นด้วยเศษแห่งผลกรรมต่อมาวันหนึ่งเพื่อนชาวประมงเหล่านั้นพูดว่าเราไปจับปลากันเถอะจึงได้ถือเอาเครื่องมือมีแหเป็นต้นทอดแหในแม่น้ำแล้วในที่นั้น ปลานั้นได้ติดแหของเขาชาวประมงทั้งหมดเห็นปลานั้นแล้วก็ส่งเสียงเอ็ดอึงว่าลูกของพวกเราพอจับปลาครั้งแรกก็จับได้ปลาสีทองคราวนี้พระราชาจะพระราชทานทรัพย์มากมายแกเราแน่นอนเขาจึงเอาปลาใส่เรือหามเรือไปสู่ราชสำนัก เมื่อพระราชาทอบพระเนตรเห็นปลานั้นจึงได้ตรัสถามพวกเขาจึงได้กราบทูลว่าเป็นปลาพระชจ้าาพระราชาทอบพระเนตรเห็นปลามีสีเหมือนทองคำจึงทรงดํหริว่าพระศาสดาจะทรงทราบเหตุที่ปลานั้นมีสีเป็นทองคำจึงรับสั่งให้คนถามปลาเสดไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่พอปลาอ้าปากเท่านั้นกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงได้กระจายไปทั่วพระเชตวันพระราชาทูลตามพระาศาสดาว่าก็าแต่พระงผู้เจริญพระเหตุไรปลาจึงมีสีเหมือนทองคําและเพราะเหตุไรกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของมันพระเจาข้าพระาศาสดามหาบพิตร ในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะปลานี้ได้เป็นภิกษุชื่อกาปิละเป็นพระหูสูตรมีบริวารมากทูกความทยานอยากในลาบครอบงมเสียแล้วดาบริพาดพวกภิกษุผู้ไม่ทำตามคำพูดของตนทำพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะ ให้เสื่อมลงด้วยกรรมนั้นเขาได้ไปเกิดในอเวจีนรกบัด น, นี้เกิดเป็นปลาด้วยเศษแห่งวิบากและด้วยผลกรรมที่เสอสอนพระพุทธวจนะกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเป็นเวลานานตัวจึงมีสีเหมือนทองคำเช่นนี้และด้วยผลกรรมที่เธอได้บริภาภษีสุตรทั้งหลาย กลิ่นเม็นจึงฟุ้งจากปากของเธอมหาบพิษอาจจะมาภาพจะให้ปลาหนนพูดประราชาให้พูดเถิดพระโชกฆ่าลำดับนั้นพระาศาสดาจึงตรัสถามปลาว่าเจ้าชื่อกาพิละใช่หรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประโชาคฆ่าข้าพระองค์ชื่อกาพิละก็แล้วเจ้ามาจากที่ไหน ข้าพระองค์มาจากอเบจีมหานรกพระโชก้าก็แล้วพระโสธนะพี่ชายของเจ้าไปที่ไหนเขาปรินิพพานแล้วพระโชก่าก็แล้วนางสาธนีมารดาของเจ้าเล่าไปที่ไหนเธอเกิดในนรกพระโชก่าก็แล้วนางตาปนาน้องสาวของเจ้าเล่าไปที่ไหน เธอก็เกิดในมหานรกพระโชกฆ่ากปิละก็บัดนี้เจ้าจะไปที่ไหนปลาชื่อกัปปิละจึงได้กราบทูลว่าข้าพระองค์จะไปสู่อเวจีมหานรกดังเดิมพระโชกฆ่าปลานั้นทูกความเดือดร้อนใจครอบงำแล้วจึงเอาหัวฟาดเรือตายในที่นั้นทันทีนั่นเองไปเกิดในนรกแล้ว มหาชนสลดใจเกิดขนลุกชูฉันแล้วตอนพระศาสดาตรัสกับปิละสูตรกลางนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจ ด, ดูวรารจิตของบริษัทผู้ประชุมกันในขณะนั้นเพื่อจะทรงแสดงธรรมอันสมควรแก่ขณะนั้นจึงตรัสกับปิละสูตรในสุดตานิบาตด้วยคาถาว่า นักปราชทั้งหลายกล่าวการประพฤติธรรมหนึ่งการประพฤติประมจันหนึ่งนั้นว่าเป็นแก้วอันสูงสุดดังนีน้เป็นต้นแล้วจึงได้ตรัสพระกตาเหล่านี้ว่ามนุษย์ชัสสะปะมัตตะจาริโนตันหาวัถทิตมาลุบาวิยะโสปะละวตีหุราหุรังภาละมิจฉังวะ วัสงวานโรยังเอสาสหตีชัมมีตันหาโลเกวิสัติกาโโกาตาสะปะวัทันติอภิวัดตังวะพีระนังโยเจตังสหตีชัมมิงตันหังโลเกทุรัจยังโโกาตัมหาปะปะตันติอุทะพินทุวะ โปคราตังโววะทามิพันธังโวยาวันเตถะสมากตาตันหายะมูลังคณะธาอุสีรัตโทวะพีระนังมาโวนาลังวะโสโตวะมาโรพินชิปุณปุนังแปลว่าตันหายย่อมเจริญแก่คนผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความประมาท ดุดท้าย่านสายเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่ดังว่านอนที่ต้องการผลไม้เร่ร่อนไปในป่าฉะนั้นตัณหานี้ลามกมักแปรส่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใดความโศทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคล น, นั้นดุดหญ้าขมบางอันฝนตกรถแล้ว ก็งามอยู่เะนั้นแต่ผู้ใดย่ำยีตันหาอันลามกซึ่งล่วงได้ยากในโลกนั้นได้ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้าตกไปจากใบบัวฉะนนั้นเพราะฉะนั้นเราขอเตือนท่านทั้งหลายผู้ประชุมกันแล้วณนะที่นี้ว่าความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงขุดรากตัณหาเสเถิดประหนึ่งผู้ต้องการรากหอมของหญ้าแฝกขุดหญ้าแฝกขึ้นฉะนั้นมานยาระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดุดกระแสน้ำหักรานไม้อ้อเลยตอนแก้อดัดเนมานาคำเหล่านั้นคำว่าปะมัตตาจาริโนแปลว่าแก่คนผู้มีชีวิต อยู่ด้วยความประมาทหมายความว่าทั้งฌานวิปัสสนามรรคและผลย่อมไม่เจริญแก่บุคคลผู้อยู่ด้วยความประมาทอันมีการปล่อยสติเป็นลักษณะอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าเลือเถาย่านทรายที่ร้อยรัดรึงรัดต้นไม้งอกงามขึ้นเพื่อทำลายต้นไม้นั้นฉันใด ตัะหาก็ฉะ น, นั้นชื่อว่าเจริญแก่บุคคล น, นั้นเพราะอาศัยทวารทั้งหกเกิดขึ้นบ่อยๆข้อทีอ่ว่าโสปริปละวะติหุราหุรังแปลว่าเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่ความว่าบุคคลผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งตัะหนานั้นย่อมเร่ร่อน คือแล่นไปในพบน้อยใหญ่ถามว่าเหมือนอะไรแก่ว่าเหมือนดังวานอนที่ต้องการผลไม้เร่ร่อนไปในป่าฉะนั้นคือคาว่าภาละมิจฉังวะวะนัสมิงวานโรอธิบายว่าวานอนเมื่อต้องการผลไม้ย่อมโลดไปในป่ามันจับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งแม้นั้น แล้วจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งแม้นั้นแล้วจับกิ่งอื่นอีกจึงเรียกไม่ได้ว่ามันไม่ได้กิ่งไม้จึงนั่งเจ่าอยู่ชนใดบุคคลผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งตัณหาก็เชนั้นเหมือนกันเร่ร่อนไปสู่พพน้อยพพใหญ่ก็พูดไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ตามอารมณ์ปรารถนาจึงไม่เป็นไปตามความตะยานอยาก คำว่ายัางหมายถึงตัณหาอันลามกนี้หมายความว่าตัณหาอันเป็นไปในตบาลทั้งหกนี้ชื่อว่าลามกเพราะเป็นของชั่วถึงซึ่งอันนับว่ามักแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเพราะตัณหานั้นเป็นธรรมชาติซ่านไปคือว่าคล่องอยู่ในอารมณ์มีรูปเป็นต้นด้วยความเป็นดุด อาหารเจือด้วยพิษโดยความเป็นดุจ ด, ดอกไม้เจือด้วยพิษโดยความเป็นดุจผลไม้เจือด้วยพิษโดยความเป็นดุจเครื่องบริโภคเจือด้วยพิษย่อมครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายอันมีวัตตะเป็นมูลย่อมเจริญยิ่งในภายในของบุคคลนั้นเหมือนหญ้าคมบางในปา่า ที่ฝนตกรดบ่อยๆย่อมงอกงามฉะนั้นคำว่าตุรัชจะยังแปลว่าซึ่งล่วงได้ยากหมายความว่าก็บุคคลใดย่อมคมคือย่อมคราบงามตนานั้นอันมีประการดังกล่าวแล้วอันชื่อว่าล่วงได้ยากเพราะเป็นของยากที่จะก้าวล่วงคือที่จะลาได ความโศกทั้งหลายมีวัด ต, ตะเป็นมูลย่อมตกไปจากบุคคลนั้นย่อมไม่ตั้งอยู่ได้เหมือนหยาดน้ําตกไปบนใบบัวคือบนใบดอกบัวไม่ติดอยู่ได้ฉะนั้นข้อที่ว่าตังโววตามิแปลว่าเราขอเตือนท่านทั้งหลายได้แก่ประเหตุ น, นั้นเราขอกล่าวกับท่านทั้งหลาย คำว่าพัทางโวแปลว่าความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายหมายความว่าความเจริญจงมีแก่พวกท่านอธิบายว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ถึงความพินาศดุจกัปปิละภิกษุรูปนี้เลยคำว่ามูลังแปลว่ารากหมายความว่าท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตัณหา นันเป็นไปในตบาลทั้งหกนี้ด้วยยานคืออรัตมักถามว่าเหมือนอะไรแก่ว่าประหนึ่งผู้ต้องการรากหอมของหญ้าแฝกขุดหญ้าแฝกฉะ น, นั้นอธิบายว่าคนต้องการรากหอมของหญ้าแฝกย่อมขุดหญ้าแฝกด้วยจอบใหญ่ฉันใดท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตันหานั้นฉะ น, นั้น ข้ที่ว่ามาโวนัลังวะโสโตวะมาโรพินชิปุนัปปุนังแปลว่ามาญยาระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดุดกระแสน้ําหักลานไม้อ้อเลยหมายความว่ากิเลสมารมรณะมารและเทวบุตรมารจงย่าละรานท่านทั้งหลายบ่อยๆเหมือนกระแสน้ําพัดมา โดยกำลังแรงห้างร้านไม้ อ, อ้อซึ่งเกิดอยู่ริมกระแสน้ำฉะนั้นในเวลาจบเทศนาบุตรของชาวประมงทั้งห้าร้อยถึงความสังเวชปรารถนาจะทำที่สุดแห่งทุกขจึงบวชในสำนักพระศาสดาทำที่สุดแห่งทุกได้ในเวลาไม่นานได้เป็นผู้มีการบริโภคเป็นอันเดียวโดยธรรม เป็นเรื่องบริโภคคืออาณนชะวิหารธรรมและสมาปฏิธรรมร่วมกับพระาศาสดาแล้วแหละเรื่องปลาชีกาปีละจบ